ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังต่้งหลายแต่ลงปโปทยาในวันนี้ก็คงประรบเรื่องร่างพระราชบัญญัติของคณะปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือมาตราที่สิบเจ็ดที่ได้กล่าวค้างไว้ในวันก่อนว่ามันจะเป็นปัญหาจนถึงจุดหนึ่งที่ องค์กรของพระพุทธศาสนาจะต้องแยกตัวเองออกมาเป็นสำนักพระพุทธศาสนาเป็นต้นเนี่ยกวันก่อนเจอหนังสือพิมพ์ิไทยนะฮะก็ตั้งประเด็นคําถามว่าทําไมพระคุณเจ้าจะต้องให้ชาวบ้านมาปกครองทําไมไม่ปกครองตัวเองมันปกครองไม่ได้นะะเราเป็นราษฎรนะอย่าลืมว่าเราเป็นราษฎร การจะสร้างองค์กรอะไรขึ้นมานั้นต้องถูกต้องตามกฎหมายมันไม่ใช่ว่าทำอะไรได้ตามลำพังในสมัยพุทธกาลเองเนะฮะมันก็แม้ไม่มีกฎหมายแต่ก็ยอมรับอำนาจของบ้านเมืองก็เรียกว่าราชานังนวัติตุงคือต้องอนุวัตตามบ้านเมืองเขาบางครั้งมีความขัดแย้งกันในเรื่องบางเรื่องเนี่ยถามว่าบ้านเมืองก็ว่าอย่างไงเราก็ต้องออกอย่างนั้น พรนี่มีสถานภาพบนซ้อนกันอยู่ฐานะความเป็นพระต้องปฏิบัติตามพระธรรมบิดาและก็จารีตแต่ในฐานะเป็นราศฎรเนี่ยนอกจากปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดให้ราษฎรปฏิบัติแล้วเนี่ยยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่รัฐตราขึ้นเพื่อบังคับในฐานะที่เราเป็นราษฎรซึ่งเข้ามาบวชนั้นก็คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มันคิดมันมันแบบอาณาจักรเสรีนะมันพูดได้นะแต่ทําไม่ได้บางการมองอะไรก็ต้องมองให้ตลอดเนี่ยเรื่องศาสนานี่เป็นเรื่องค่อนข้างยากนะฮะแล้ก็ละเอียดอ่อนแต่ถ้าเรามองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยมันก็พูดมันมันนะได้แต่ปัญหาว่ามันไม่ถูกกฎเกณฑ์นั้นคนที่มาเขียนเรื่องเหล่านี้มาทํางานในเรื่องเหล่านี้จะต้องมีความรอบรู้ ในสาขาต่างๆหรือว่ามีบทความที่พูดในตำนองที่เรียกว่าคือเมนด้วยที่จะแยกมาจากกระทรวงการศึกษาศาสนาและก็วัฒนธรรมเพราะวที่นั่นมีตราเสมาธรรมจักรอยู่เนี้ยก็แสดงว่าไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนนะฮะเสมาธรมจักรเนี่ยแล้วถ้าดูเนื่องงานแล้วเนี่ย ในความเป็นศาสนาเนี่ต้องแยกออกมาเพราะว่าความคิดทั้งกระบวนมันเป็นกระบวนการของการศึกษาล้วนๆไม่ได้มองไปในแง่ของศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมหรอกทำไปทำมาเดินมาครึ่งทางนึกออกนะฮว่าองค์กรเหล่านี้มันอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเดิมด้วยโดยก็จัดยัดโครมลงไปโดยโครงสร้างในการบริหารนั้นยังเป็นแบบการศึกษาอยู่ ซึ่งในภาคสนามจริงๆเนี่ยจะทำได้ยากการแยกตัวเองออกมาก็คือหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องหลีกการบริหารโดยตัวแทนของาศาสนาอื่นเราไม่ใช่รังเกียจเขาแต่ว่ามั่นคือความไม่ยุติธรรมในขณะที่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่มีโอกาสจะไปแตะต้องอะไรเขาเลยแต่เขาสามารถทำอะไรกับเราได้สารพัดเนี่ย อะไรคือความเป็นธรรมเรื่องกฎหมายใ น, นเรื่องยุติธรรมเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดไอ้ น, นี่มันไม่ยุติธรรมการจัดองค์กรอย่างนี้ไม่ยุติธรรมต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นาศาสนาประจำชาติใครจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเนี่ยพระพุทธศาสนาคือาศาสนาประจำชาติโดยนิติประเพณีตั้งแต่โบราณกาลแล้วแล้วก็อยากจะอ่านในชื่อกรรมการต่างๆที่ ท่านกำหนดไว้เป็นสามสิบเก้าท่านน ะ, นะถามมาสามสิเก้ามาจากไหน ก, ก็ไม่ได้บอกไว้นะว่าทำไมถึงต้องสามสิบเก้ามันเป็นข้าราชการประจำอยู่ทั้งหมดก็เรียกว่าห้าตำแหน่งนคือมาตามตำแหน่งแล้วก็เป็นตัวแทนของพระภิกษุที่มาเทรมคมมอบหมายให้เป็นผู้แทนจำนวนสามรูป ในกรรมการกลางนะฮะแล้วลงไปข้างล่างอีกสองร้อยอะไรสองร้อเยเก้าสิบนะห้าเลยะไรเนี่ยสองร้อยห้าสิบห้านะ่ยห้าห้าสิบห้าองค์กรก็จะมีตัวแทนอยู่ในที่นั้นแล้วก็ผู้แทนาศาสนาที่ราชการรับรองได้แก่าศาสนาคริสต์อิสลามซิกพรามินดูนะไอ้นี่เรียงผิดนะจริงๆคือต้องเรียงอิสลามไว้ให้คำบน ก็เ ร, เรียงตามจํานวนศาสนิกตรงนี้จะถือว่าเรียงตามลำดับอักษรก็ไม่ใช่มันไม่มีเกณฑ์อะไรเลยมันถ้าเรียงอย่างนี้ก็ต้องเรียงตามจํานวนศาสนิกก็กลายเป็นศาสนาพุทธศาสนาสลามศาสนาคริสต์และศาสนาพราหมณ์ดูไม่จะซิกนะต้องพราหมณ์ดูก่อนเพราะพรามณ์ดูนี่เขามากกว่าแล้วก็ต่อไปจึงเป็นศาสนาซิก แล้วก็ลำดับที่สิบสามคือผู้แทนองค์กรวิชาชีพตางศิลปะและวัฒนธรรมโดยการเลือกกันเองอันนี้ก็แบบการกรองต่างๆเนี่ยแล้วก็มาเลือกกันผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการเลือกกันเองออบตอบจเนี่ยนะฮะก็มาเลือกกันเองผู้แทนผู้บวยการสานักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาโดยเลือกกันเอง นั่นก็แสดงเห็นว่ า, าทางพื้นที่เนี่ยสองร้อยกว่าองคอ์กรเนี่ยมันจะมีผู้มวยการทกงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเห็นไหมมันก็เพิ่มงบประมาณจำนว น, นมหาศาลแล้วแต่ปริมาณงานเนี่ยจะไม่มีอะไรทํามากหรอกองคอ์กรมันย่อยเกินไปแล้งานส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่วัดนต่มันงานของพระเนี่ยเป็นงานของพระ ที่ประเด็นสำคัญที่เรากำลังพูดกันอยู่นี่ว่ามันจะต้องมีข้อความสักประโยคหนึ่งว่าศิละปะและวัฒนธรรมของศาสน า, าใดๆให้อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันบริหารสูงสุดของศาสนานั้นๆมันจะต้องใช้คำอย่างนั้นแล้วก็ต่างคนตักบริหาร นะมันก็แนวคล้ายๆกับเนี่ยคล้ายๆกับพรรคการเมืองเนี่ยพรรคการเมืองที่ว่าร่วมกันเป็นรัฐบาลเนี่ยเห็นไหมร่วมกันได้แต่ไม่ร่วมกันฮะเช่นน้ําโนของมาเลเนี่ยมันก็มีหลายสิบประพักไนี่ยก็อยู่กันอย่างนั้นหรือแม้แต่รัฐบาลปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีตั้งหลายพรรคนะเขาร่วมแต่เขาไม่ได้รวมพรรคความัใหม่ก็มีหัวหน้าพรรคพรรคชาติไทยก็มีหัวหน้าพรรคพรรคไทยรัฐไทยก็มีหัวหน้าพรรคแล้วก็ที่ แม้แต่พักเสรษฐีธรรมอย่างนี้ก็ยังเป็นพักอยู่เค้ารรวมกันได้นะไม่ไม่ได้แปลกอะไรแต่รวมเนี่ยไม่ได้มารวมล้อมรวมกันเป็นหนึ่งอันเดียวนี่ไม่ได้แล้วก็ต่อไปก็เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่สอส่งเสริมศาสนาศิาปลปะและ ว, วัฒนธรรมอนี้ก็ตั้งกันได้นะแต่ก็มีคนเดียวผู้แทนราชบัณฑิตยสถาน ได้รสังเกตนะรัฐบาลบันฑิตยสถานนั้นสังกัดสำนักนายก ร, ร, รัฐมนตรีก็แสดงว่ามันก็ไปดึงเอาสถาบันนี้เข้ามาเข้ามาอยู่ด้วยเรขาธิการรถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอันนี้ที่จริงไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่าเป็นเรื่องาศาสนาศิละปะและวัาตฒนาธรรมไม่ได้เกี่ยวกับการการศึกษาทีนี้เบอร์ที่สิบเก้าถึงสาสิบแปดเนี่ย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมแต่ลองสังเกตตัวคณะกรรมการไม่มีคําว่าศิละปะแต่ข้างล่างเนี่ยมีคําว่าศิละปะบ้างไม่มีบ้างไม่รู้จะเอายังไงเหมือนกันนะก็มีจํานวนยี่สิบคนตรงเนี้เราจะเห็นว่าตัวแทนศาสนาอื่นสามารถเข้ามาได้อีกเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเข้ามาในนามของผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาเนี่ย ศิละปะและวัฒนธรรมทุกศาสนานี่มีผู้ส่งคุณนูตในด้านนี้เพรา ะ, ะนั้นก็จะเข้ามาได้ด้วยโควตาของผู้ส่งคุณนูตแต่เนื้องงานที่ถูกบริหารมันไม่มีงานของเขาเขามาบริหารเราบริหารศาสนาพุทธมาบริหารศิละปะพุทธมาบริหารวัฒนธรรมพูธตลกเนีฮะไอ้เนี่ยคือคือจัดโดยอาศัยเมื่ออัลมาก็เคยติงข่าวบอกว่าคุณ คุณอ้างรัฐมนูญมาตราที่ยี่สิบเก้ามาตราที่ห้าสิบมันคนละเรื่องเลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสักหน่อยหนึ่งแต่แล้วแกก็ไปอ้างมาตราที่แปดสิบเอดมาตราที่แปดสิบเอ็ดมันก็พูดเรื่องการศึกษาไม่ได้พูดเรื่องศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมทีนี้คงจะนึกออกขึ้นมาอะไรไม่รู้พอออกมาในภาครายละเอียดเนี่ยไปก่อคุงอยู่กับมาตราที่สามสิบแปด มาตราที่เจ็ดสิบสามมาตราที่สามสแปดนั้นพูดถึงสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมนับถือศาสนาใไรตัวว่ามาเยอะเลยแล้วถ้าเจาะในรายละเอียดนี่เราจะเห็นังว่ามันมีอิทธิพลของอิสลามนี่อยู่เยอะคือกล่าวอ้างศาสนาบัญญัติอยู่บ่อยมากศาสนาบัญญัติไม่มีในประพุทธศาสนาไม่มีในศาสนาคริสต์ด้วยนะ เป็นคำในศาสนาศิสลามนันก็แสดงให้เห็นถึงว่าคนเหล่านี้ไม่รู้จักน้ำหนักของ ข, ของ้อคขขวามเขาบอกให้พิมพ์ก็พิมพ์กาไปไงไม่รู้หมายความมาอย่างไรเราอย่าลืมว่าตัวศาสนาบัญญัตินี่จะนําไปสู่ปัญหาอีกเป็นอันมากแล้วในที่สุดเมื่อศาสนาบัญญัติเนี่ยเราก็แปลว่าบทบัญญัติทางศาสนา แล้วก็คนเหล่านี้ก็สามารถทำอะไรได้โดยอ้างศาสนาแต่สมมติว่าเกิดไปผิดกฎหมายขึ้นมามันถูกตามศาสนาบัญญัตินี่แล้วตํานูนรับรองโดยศาสนาบัญญัติเอาไว้นี่ฉันปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติของฉันนะแล้วฉันก็ไปขัดต่อหน้าที่ของนลเมืองดีด้วยนะเธอจะมาทําอะไรฉันละ่ะเพราะงนั้นมันจะยุ่งรุงรังพันเตไปหมดเลยบ้านเมืองเนี่ยลองว่า พอพระราชบัญญัตินี้ประกาศก็แถวหแถวสี่ห้านะฮะก็หมายความปีกว่ า, าเนี่ยถ้าผ่านมาได้ตามที่ควรหล่อนร่างเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะเจอวิกฤตเองเพราะว่าจะมีลักษณะคล้ายๆกรระเบิดเวลาเลยแล้วก็วุ่นวายแน่นอนวิชาพูดส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ยอมแน่นอน เพราะว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราไปดูรายละเอียดในการจัดหลักสูตรนะฮะคืออย่าลืมนะฮะไปรูกปการษามันต้องมองหายไปถึงหลักสูตรต่างการมรหารงเรียนเลยหลักสูตรเนี่ยจะไม่มีศาสนาที่เป็นองค์ประกอบของความเป็นศาสนามันจะเน้นไปที่นี่แหละศีลธรรมจะคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยที่ชอบพูดกันเนะฮะแล้วเคยถามเขานะฮะที่จริงว่าแปลว่าย่งไงอะหมายความว่าอย่างไง ไอ้จิธรรมคุณธรรมจริยธรรมของครูเพื่พูดบ่อยแล้วเกินแล้วก็ไม่ยอมอธิบายมันเป็นสิ่งที่นำมาใช้โดยไม่เข้าถึงเนื้อหาสาระแม้แต่คำว่าเก่งดีมีความสุขเนี่ยมาก็เคยถามในที่ประชุมของสภาก า, าึกษาแห่งชาติเนี่ยถามว่าบริหารยัง ไ, ไง ก็พูดได้นะฮะเริ่มจะตรงไหนก่อน ก, ก็ก็ไม่ว่ากันแต่ถามว่าคุณคิดมาจากอะไรคุณรู้เ่าวันมาจากอะไรเนี่ยเราก็รู้ไม่รู้ก็ยังนึกว่าน่าจะไปได้พระองค์ราชู ว, วาดอะไรมาเพราะว่าเก่งเนี่ยท่านผู้ฟังเราสังเกตนะ่ยเก่งเนี่ยคือปัญญาภาคสนามนะฮะมีความสเสดยวฉลาดมีไว้พริบปฏิภาณต่างต่างคนเก่ง คนฉลาดคนสามารถทั้งหลายเนี่ยก็คือคนเก่งหมายความว่าความรู้ดีความสามารถดีความคิดดีเนี่ยก็คือคนเก่งแล้วคนดีก็คือคนที่มีคุณธรรมมีความบริสุทธิ์อุดดีทำดีคิดดีแล้วก็มีความสุขก็คือคนที่ไม่มีปัญหาอะไรนะมองคนด้วยความเป็นมิตรจิตใจแจ่มใสเบิกบานช่ำชื่นเบิกบาน ไม่มีปัญหาอะไรกไกลๆมันเป็นโครงสร้างของอะไรเป็นโครงสร้างของพระพุทธคุณที่เราสวดมนต์ธรรมัตเ ช, ช้านะฮะที่บทวพุทธโธสุสุธโธกรุณ า, ามาณโวต์แปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้รผรบริสุทธิ์หมดจดแล้วก็เป็นผู้มีกรุณาดุดพวงมาณโน้คนรู้ก็คือเก่ ง, งนะฮะ แล้วก็บริสุทธ์ก็คือดีอ่ะแล้วมีใจก่มีใจกรุณาก็คือมีความสุขอยู่ท่ามกลางมิตรสหายมีความเป็นมิตรกับคนหมดเลยมันก็มีความสุขก็เท่านั้นเองแต่ว่าในขณนะดเดียวกันเนี่ยไม่ได้เน้นที่หลักธรรมทางศาสนาซึ่งเป็นมรรควิธีที่จะนำไปสู่การพัฒนาคนให้เป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งเป็นคนดีแล้วมีความสุข โลาไม่มีเกณฑ์มาตรฐานว่าเกณฑ์ดีมีความสุขคืออะไรแล้วก็คุณจะใช้คุณธรรมอะไรในศาสนาไหนใครเป็นศาสดามันเรื่องสำคัญนะเรื่องในภาคสนาไม่เรื่องในการบริหารการจัดการเนี่ยมันก็มันๆเราได้ก็มีกลุ่มศาสนา ตังกลุ่มเป็นกลุ่มศาสนาเก็ดมาเราก็อ่านดูชื่อแล้วเนแหมมันมันเก่งมาจากไหนอ่ะคือกลุ่มศาสนาเนี่ยมันต้องมีความรู้ศาสนาทั้งลึกทั้งกว้างนะแล้วก็ผ่านกระบวนการทั้งศึกษาทั้งการปฏิบัติทางได้รับผลศาสนามาจึงสามารถจะมองศาสนาให้เป็นระบบได้ มันไม่ใช่อ่าหนังสือเล่มสองเล่มแล้วก็ถือว่าเป็นกลุ่มศาสนาเขียนเอก ส, สารหลักฐา น, นต่างๆทางศาสนาออกมาไม่รู้อะไรเป็นอะไรเชื่อมโยงกับอะไระกลายเป็นภาษาลิเกไปกล่าวถึงมนีราศีดาบทองค์พระนักพศประสิทธาวาแล้วเราก็เดินประกอเดินประกอใคร่คราูาาตังนานนะกลายเป็นฤาีเดินแต่นั่นเองเพราปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ มันกระทบในองร์รวมของความเป็นศาสนาแล้วในที่สุดเนี่ยความเป็นศาสนาของเราคือความเป็นสถาบันพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจําชาติเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะอยู่คือว่าเด็กเนี่ยมันไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรอ่ะมันศาสนามีไว้ทําไมอ่ะศาสน า, าเด็กแกไม่รู้จักกัเด็กรุ่นต่อไปเนี่ยก็ไม่รู้จัก เพราะงั้นวัดวารามันอาจจะกลายเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุไปนะก็เรียกว่าพระพุทธศาสนาก็อยู่ไม่รอดเาะแขืนทําไปตามพระราชบัญญัติยก่างมาเนี่ยแล้วก็เคยถามเวลาสัมมนาการเวลาคุยกันถามว่าบริหารยังไงเทียมันเกิดผลดีกับาศาสนานี้จริงมันขัดแย้งกัน มันขัดแย้งกันยกตัวอย่างเลขาที่การระาบาการศึกษาเนี่ยเขานำไปดูครูสมพรสอนลิงทางรู้สึกสุราษฎร์และชุมพรเนี่ยนะครับแล้วเนื้อหาวิชาการที่เขาเขียนออกมาเนี่ยเขาปฏิเสธการจำการท่องหาว่าท่องเว้ในกแก้วนคุณทองแล้วก็พูดการเป็นตูวเป็นปากคือไม่ให้ท่องและให้จำไม่ให้จำนะฮะ หมายจำหมายคิดคือนี้แสดงว่ากระบวนการทางการเรียนรู้นะี่ยังไม่เข้าใจเลยในขณะที่ตัวลิงที่เขาเอามาเป็นตัวอย่างสอนนะี่คือลิงนี่เขาสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมเพื่อให้ไปเก็บมะพร้าวเพราะรอบตัวลิงจะมีแต่สีน้ําตาลคือสีเปลือกมะพร้าวก็มีแต่เปลือกมะพร้าวเป็นแถวให้เด็กมันไอ้ลิงมันคุ้นกับเปลือกมะพร้าว เวลาปล่อยแกขึ้นไปข้างบนเนี่ยแกจะปิดเฉพาะสีน้ําตาลซึ่งแกจะไม่ปิดลงมาเห็นไหมว่าสอนลิงเองเนี่ยต้องใช้ความจํำเลยจําจนขึ้นใจนะจําจนแม่นนะจาแน่แยกแยะสีต่างๆได้สีสน้ําตาลอ่อนน้ําตาลแก่สีเขียวสีอไรนี่ก็จะแนกได้แล้วก็เชียร์ยกย่องเขียนหนังสือขายตั้งเล่มแต่สิบบาทในขณะเดียวกันก็เขียนใบเสรความจําการท่องจํา การท่องจำนัน้นเป็นกระบวนการศึกษาเรียนรู้โลกของมนุษย์บทอักานทั้งหลายบทสูตรทั้งหลายเนี่ยอะไรก็าตามนะจำจนขึ้นใจจำจนเป็นอัตโนมัติจำจนเหมือนกับไม่จำคือไม่ต้องคิดก็รู้เห็นได้ว่าเรื่องบางเรื่องนี้เราแม่นจนขนาดได้กลิ่นนี่เดียว ร, รู้แล้วจับนี่เดียว ร, รู้แล้วนั่นคือจำจนขึ้นใจ จะท่องหรือไม่ท่องก็ได้นะฮะแต่อา่านบ่อยๆนั่นก็คือท่องนั่นแหละคือไม่เข้าใจแม้แต่ประเด็นขําว่าท่องมันเป็นกระบวนการของจิตจิตนั้นโดยกาโดยสรุปก็คือทาหน้าที่รับอารมณ์ที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็รายงานเข้าไปสู่จิตจิตเหมือนศูนย์บัญชาการใหญ่ตัวรู้นั้นจิตเป็นตัวรู้นะ แต่อาศัยประสาท ต, ตาประสาทรูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายเป็นเครื่องมือในการกรู้คล้ายๆกับกระแสไฟในอาศัยสายไฟแต่สายไฟก็ไม่ใช่กระแสไฟกระแสไฟก็ไม่ใช่สายไฟแต่ว่าเขาต้องอาศัยอาศัยสายไฟนะฮะจึงสามารถจะให้แสงสว่างได้ทีนี้การเมื่อรับมาแล้วเนี่ยก็จํา จำเนี่ยมันเป็นขันอย่างหนึ่งคือสัญญาขันแปลว่าความจำได้หมายรู้เห็นไหมจำละเอียดพิสดารเ ย, ยังกอไก่ เ, เราจำทุกรูปแบบอะหรเราจึงอ่านกอไก่ออลองไปถามเด็กตอนเรียนหนังสือใหม่ๆลองดูสิฮมหรือว่ารอให้เธอเรียนกอไก่ตัวเล็กๆนะเสร็จแล้วเขียนตัวโตเนี่ยทำอะไรกะอ่านไม่ออกครับเพราะกั่นการจำสลับซับซ้อนมากมายกลกองเลยจาเป็นร้อย้อยพันพันตัวเลย แล้วพอเห็นภาพแกก็อ่านออกจนว่าเรียนภาษาอังกฤษเนะี่ยเราจะเห็นว่าอย่างภาษาอังกฤษที่อินเดียนี่เขียนม่าดูเลยนะเขียนพูดพูดพูดพูดไปเลยนะก็ อ, อ่านออกก็ อ, อ่านออกแลวบางทีก็ยุบกยุบจิกเอาันั้นก็คืออะไรล่ะชํานาญอ่านจนเกิดชํดชนานิชํานาญขึ้นใจมองเห็นปักประลปุบเลย แล้วจิตก็ทาหน้าที่คิดแต่๋ยวนัคิดเนี่ยมันเป็นช่วงที่สามคุณต้องมีอุปกรณ์ในการคิดมีเครื่องมือในการคิดแต่ก่อนไม่ั้นคุณคิดไม่ออกหรอกอางสังคมเราเนี่ยเคยคิดนะฮะเราจะเห็นว่าโบราณเนี่ยเมื่อไรเราก็ไม่รู้หรอกเรื่องพยานนาคก็ดีเรื่องราชสีวก็ดีเรื่องพยาครุตก็ดีเนี่ยในวรรณคาดีของเราในพวกงานทางปติมา ก, กรรมงานปติมา ก, กรรมทาง จิตรกรรมส่วนใหญ่มันก็มีสองอย่างนะัถามว่าคนเคยเห็นหรือเปล่าล่ะเคยเห็นสัตว์เหล่านี้หรือเปล่ามันไม่มีให้เห็นเพามันไม่มีอ่ะแล้วถามว่าเราคิดกั น, นไายในยังไงก็จินตนาการออกแต่ว่าอาศัยโครงสร้างอย่างราชสีนี่เราจะเห็นว่าอาศัยโครงสร้างสุดนกพญานาคก็อาศัยโครงสร้างของงูใหญ่ ครุฑก็อาศัยโครงสร้างของเหวี่ยวแล้วก็นั่นก็เสริมจิตนาการเอะบ้านไปแล้วเนี่ยเราก็อยู่ดูอุปท า, านเฉยๆคือปรุงแต่งกันจนกลายเป็นอุปท า, านแล้วเราก็ไม่ได้คิดนะว่าครุฑอย่างนี้เอ๊รูปร่างอย่างนี้มันบินได้หรอนะดูปีกมันเล็ ก, กเกินรูปมันใหญ่มากนะมันก็อยู่ในกระดาษอันก็ได้แต่ถามว่าบินได้หรือเปล่ามันก็บินไม่ได้ เพราะจริงๆมันไม่ดีนะฮะดักงกระบวนการตรงนี้ยก่อนจะคิดเนี่ยเราต้องมีข้อมูลในการคิดจนบางครังค้งกรอบรมครูต่างจังหวัดเนี่ยมาถามไม่ใช่สอนให้ดูแต่สอนเดองไอ้เด็กคิดเองเนี่ยโดยไม่ต้องมีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยคิดได้ยังไงที่การต้งมีข้อมูลมันต้องแม่นข้อมูลมันจึงคิดได้เร็วอย่างพวกทําอาหารที่จำนิชํานาเนี่ยเราเห็นว่าแกก็จาําอะ จำสูตรตักอะไรแม่นเปี้ยแหละตักได้เร็วด้วยนั่นคือความจำมันไม่จําเป็นจะต้องท่องหรือไม่ท่องนะทําบ่อยๆมันก็จําเห็นมาเห็นบ่อยๆได้ยินบ่อยๆสูดดมบ่อยๆลิ้มบ่อยๆจะต้องบ่อยๆมันไม่จะท่องใยปากอย่างเดียวเนี่ยเราเรียนรู้ในภาษาสัมผัสนั่นคือปัญหาว่าเอาข้อจริงเนี่ยแม้แต่ในด้านการศึกษาเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจกระบวนการเครืองจิต เรายังเข้าใจว่าสมองเป็นตัวเรียนรู้สมองมันเป็นประสาทมันไม่ใช่ตัวรู้จิตเป็นตัวรู้นะจิตเป็นตัวรู้เลยจิตเป็นตัวคิดลองสังเกติเลลวลาเราคิดเนี่ยเราจะมึนที่ศีรษะจะ แ, แสดงแล้ว่าศีรษะมันเป็นที่ทำงานของจิตประสาทส่วนสมองนะัถูกใช้ไปในการคิดมากแล้วมันก็มึนแต่ทีนี้ถ้าเราตกใจเนี่ยหัวใจมันจะเต้นแรงเห็นไหฮะว่าแสดงว่าจิตมันก็อยู่ที่หัวใจ เป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเข้ามาเจริญศีนสมาธิปัญญาเราจะเห็นว่าเวลาเนี้ยเราตกเป็นเครื่องมือเป็นอนณานิคมทางจิตปัญญาของต่างชาติมือคนก็เราไม่จำแล้วเสร็จแล้วก็คนก็เราก็จิ้นนะฮะฝรั่งต่างชาติก็สร้างเครื่องไม้จิ้มญี่ปุ่นก็ส่งเครื่องหม้เราจิ้มล้วก็นั่งจิ้มอย่างเดียวในสมองก็มีตะขี่เลื่อยไม่ต้องมีอะไรกันนั่นคือปัญหามันกระทบนะฮะไปกระทึงทางการศึกษาด้วย เรคงสร้างทางความคิดเนระดับชัดเจนนะไปศึกษาเอกสารเขาหลายเล่มโอ้มันไปกันใหญ่เลยไม่รู้มาจากไหนนะแต่ชัดเจนว่ามาจากต่างประเทศทั้งฟังทงหลายแต่รวงพระพทยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี